ภาวะสูตรว่าด้วยความเสื่อมและความเจริญของอุบาสกภิกษุทั้งหลายความเสื่อมของอุบาสกเจ็ดประการนี้ละถึงภิกษุทั้งหลายความเจริญของอุบาสกเจ็ดประการนี้ความเจริญของอุบาสกเจ็ดประการอะไรบ้างคือ 1. ไม่ละเลยการเย่ยมเยียนภิกษุ 2. ไม่ทอดทิ้งการฟังสัธรรม 3. ศึกษาในอธิศีน 4. มีความเลื่อมใสามากในภิกษุผู้เป็นเทระผู้เป็นนวั ก, กะและผู้เป็นมัชิมะ 5. ฟังธรรมอย่างไม่คอยคิดโต้แย้งเพ่งโทษ 6. ไม่จะแสวงหาผู้รับทักษินานอกาศาสนานี้ 7. ทำอุปการะในาศาสนานี้ก่อนภิกษุทั้งหลายความเจริญของอุบาสกเจ็ดประการนี้แหละ อุบาสกใดละเลยการเยี่ยมเยียนภิกษุผู้อบรมตนทอดทิ้งการฟังอริยธรรมไม่ศึกษาในอธิศีนไม่มีความเลื่อมใสยิ่งขึ้นในภิกษุทั้งหลายปราถนาฟังสัจธรรมยังคอย ค, อยคิดโต้ยแย้งแสวงหาผู้รับทักษินานอกศาสานานี้และทำอุปการะนอกศาสานาก่อนอุบาสกนั้นผู้เสพทำเจตประการอันเป็นเหตุแห่งความเสื่อมที่เราแสดงดีแล้วนี้แหล ย่อมเสื่มจากสัตยธรรมส่วนอุบาสกใดไม่ละเลยการเยี่ยมเยียนภิกษุผู้อบรมตนไม่ทอดทิ้งการฟังอริยธรรมศึกษาในอธิศีนมีความเลื่อมใสยิ่งขึ้นในภิกษุทั้งหลายปรารถนาฟังสัตยธรรมอย่างไม่คอยคิดโต้แยง้งไม่แสวงหาผู้รับทักศินานอกศาสนานี้และทําอุปการะในศาสนานี้ก่อนอุบาสกนั้นผู้เสพทำเจ็ประการ อันไม่เป็นเหตุแห่งความเสื่อมที่เราแสดงดีแล้วนี้แลย่อมไม่เสื่อมจากสัตยธรรมปราภวสูตรที่สิเอ็ดจบวัชิตสตกะวัคที่สมจบรวมพระสูตรที่มีในวรนี้คือ 1. สารันทสูตร 2. วัสการสูตรสามปฐมสตกะสูตร 4. ทุติยาสตกะสูตร 5. ตาติยะสตกะสูตร 6. โพชังคะสูตร 7. สัญญาสูตร 8. ปดฐมมะปริหานิสูตร 9. ทุติยะปริหานิสูตร 10. วิปัติสูตร 11. อปราพวะสูตร เทวตาวักหมวดว่าด้วยเทวดาหนึ่งอปมาทะคารวะสูตรว่าด้วยความเคารพในความไม่ประมาทครั้งนั้นเมื่อราตรีผ่านไปเทวดาองค์หนึ่งมีวันนะงดงามยิ่งนักเปล่งรัสมีให้สว่างไปทั่วพระเชตวันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่หน้าที่สมควร ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทาเจตประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่ภิกษุทำเจตประการอะไรบ้างคือ 1. ความเป็นผู้มีความเคารพในพระาศาสดา 2. ความเป็นผู้มีความเคารพในพระธรรม 3. ความเป็นผู้มีความเคารพในพระสม 4. ์ความเป็นผู้มีความเคารพในสิกขา หความเป็นผู้มีความเคารพในสมาธิ 6. ความเป็นผู้มีความเคารพในความไม่ประมาท 7. ความเป็นผู้มีความเคารพในปฏิสันถานค่าแต่พระองค์ผู้เจริญทำเจประการนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่ภิกษุเมื่อเทวดานั้นได้กราบทูลดังนี้แล้วพระศ า, าสดาทรงพอพระทยัยครั้นเทวดานั้นรู้ว่า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 วหยเราแล้วยืนอยู่ณนะที่สมควรได้กล่าวกับเราดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทาเจบประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่ภิกษุทาเจบประการอะไรบ้างคือ 1. ความเป็นผู้มีความเคารพในพระศาสดา 2. ความเป็นผู้มีความเคารพในพระธรรม 3. ความเป็นผู้มีความเคารพในพระสงฆ์สี่ ความเป็นผู้มีความเคารพในศิขา้าความเป็นผู้มีความเคารพในสมาธิ 6. ความเป็นผู้มีความเคารพในความไม่ประมาท 7. ความเป็นผู้มีความเคารพในปฏิสันทานข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำเจประการนี้แหลย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่ภิกษุภิกษุทั้งหลายเทวดานั้นครั้นกล่าวดังนี้แล้วจึงไหวเรา ทำประทักษิณแล้วหายไปณที่นั้นแหละภิกษุมีความเคารพในศาสดามีความเคารพในธรรมมีความเคารพอย่างแรงกล้าในสงมีความเคารพในสมาธิมีความเพียรมีความเคารพอย่างแรงกล้าในสิกขามีความเคารพในความไม่ประมาทมีความเคารพในปฏิสันฐานเป็นผู้มีควรเสื่อมดำรงอยู่ใกล้นิพพานทีเดียว อาปมาทาคารวะสูตรที่หนึ่งจบ 2. หิริคารวะสูตรว่าด้วยความเคารพในหิริภิกษุทั้งหลายเมื่อคืนนี้เมื่อราตรีผ่านไป เทวดาองค์หนึ่งมีวันณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างไปทั่วพระเชตวันเข้ามาหาเราถึงที่อยู่ไหว้แล้วยืนอยู่หน้าที่สมควรได้กล่าวกับเราดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำเจ็ประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่ภิกษุทำเจ็ประการอะไรบ้างคือหนึ่งความเป็นผู้มีความเคารพในพระาศาสดา 2. <rit> ความเป็นผู้มีความเคารพในพระธรรม 3. ความเป็นผู้มีความเคารพในพระสงฆ์ 4. ความเป็นผู้มีความเคารพในสิกคา 5. ้าความเป็นผู้มีความเคารพในสมาธิ 6. ความเป็นผู้มีความเคารพในหิริความอายบาป 7. ความเป็นผู้มีความเคารพในอดตปะความกลัวบาปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ทำเจตประการ น, นี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่ภิกษุภิกษุทั้งหลายเทวดานั้นครั้นกล่าวดังนี้แล้วจึงไหวเราทำประทักษิณแล้วหายไปณที่นั้นแลภิกษุมีความเคารพในาศาสดามีความเคารพในธรรมมีความเคารพอย่างแรงกล้าในสมมีความเคารพในสมาธิมีความเพียรมีความเคารพอย่างแรงกล้าในสิกขา ถึงพร้อมด้วยหิริและโอตตะปะมีความยำเกรงมีความเคารพเป็นผู้ไม่ควรเสื่อมดำรงอยู่ใกล้นิพพานทีเดียวหิริคารวะสูตรที่สองจบ 3. ามปฐมโซวะจัสตาสูตรว่าด้วยความเป็นผู้ว่าง่ายสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายเมื่อคืนนี้เมื่อราตรีผ่านไปเทวดาองค์หนึ่งละถึง ดลือกล่ากับเราดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำเจประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่ภิกษุทำเจประการอะไรบ้างคือ 1. ความเป็นผู้มีความเคารพในพระศ า, าสดา 2. ความเป็นผู้มีความเคารพในพระธรรม 3. ความเป็นผู้มีความเคารพในพระสงฆ์ 4. ความเป็นผู้มีความเคารพในศิกขาหา ความเป็นผู้มีความเคารพในสมาธิ 6. ความเป็นผู้ว่าง่าย 7. ความเป็นผู้มีกัลยาณมิตรมิตร ด, ดีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำเจตประการนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่ภิกษุภิกษุทั้งหลายเทวดานั้นครั้นกล่าวดังนี้แล้วจึงไหวเราทำประทักษิณแล้วหายเป็นณที่นั้นแลภิกษุมีความเคารพในาศาสดา มีความเคารพในธรรมมีความเคารพอย่างแรงกล้าในสง ม, มีความเคารพในสมาธิมีความเพียรมีความเคารพอย่างแรงกล้าในศิกขามีกระยาณมิตรเป็นผู้ว่าง่ายมีความยำเกรงมีความเคารพเป็นผู้ไม่ควรเสื่อมดำรงอยู่ใกล้นิพพานทีเดียวปฐมมโสวัจจสตาสูที่สามจบ 4. ทุติยโสวัจสตาสู ว่าด้วยความเป็นผู้ว่างง่ายสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายเมื่อคืนนี้เมื่อราตรีผ่านไปเทวดาองค์หนึ่งละถึงได้กล่าวกับเราดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำเจบประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่ภิกษุทำเจบประการอะไรบ้างคือหนึ่งความเป็นผู้มีความเคารพในพระศาสดา 2. ความเป็นผู้มีความเคารพในพระธรรม 3. ความเป็นผู้มีความเคารพในพระสงฆ์ 4. ความเป็นผู้มีความเคารพในสิกขา 5. ้าความเป็นผู้มีความเคารพในสมาธิ 6. ความเป็นผู้ว่างง่าย 7. ความเป็นผู้มีกัลยาณมิตรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำเจประการนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่ภิกษุ ภิกษุทั้งหลายเทวดานั้นครั้นกล่าวดังนี้แล้วจึงไหว้เราทำประทักษิณแล้วหายเป็นณที่นั้นแล่เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระสารีบุตรดลืกราบทูลพระผู้มีพระภาค ด, ดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ย่อมรู้ชัดเนื้อความแห่งพระพาสิทธิที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยย่อ น, นี้ได้โดยพิดารอย่างนี้ว่า ภ er ิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 1. ตนเองเป็นผู้มีความเคารพในพระศาสดาสันเสริมความเป็นผู้มีความเคารพในพระศาสดาชักชวนภิกษุเหล่าอื่นผู้ไม่มีความเคารพในพระศาสดาให้มีความเคารพในพระศาสดาทั้งประกาศคุณที่มีจริงของภิกษุเหล่าอื่นผู้มีความเคารพในพระศาสดาตามการอันโคนสตนเองเป็นผู้มีความเคารพในพระธรรม ละถึง 3. ตนเองเป็นผู้มีความเคารพในพระสงฆ์ 4. ตนเองเป็นผู้มีความเคารพในสิก ข, ขา 5. ้าตนเองเป็นผู้มีความเคารพในสมาธิ 6. ตนเองเป็นผู้ว่าง่าย 7. ตนเองเป็นผู้มีกัลยาณมิตรสันเสริญความเป็นผู้มีกัลยาณมิตรชักชวนภิกษุเหล่าอื่นผู้ไม่มีกัลยาณมิตรให้เป็นผู้มีกัลยาณมิตร ทั้งประกาศคุณที่มีจริงของภิกษุเหล่าอื่นผู้มีกัลยาณมิตรตามการอันควรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ย่อมรู้ชัดเนื้อความแห่งพระภาสิต ท, ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยย่อนี้ได้โดยพิดารณอย่างนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละสาเรบุตรดีจริงสาเรบุตร เธอรู้ชัดเนื้อความแห่งภาสิทธ์ที่เรากล่าวไว้โดยย่อ น, นี้ได้โดยพิจารณาอย่างนี้สารีบุตรภิกษุในธรรมวิในนี้ 1. ตนเองเป็นผู้มีความเคารพในาศาสดาสรรเสริญความเป็นผู้มีความเคารพในาศาสดาชักชวนภิกษุเหล่าอื่นผู้ไม่มีความเคารพในาศาสดาให้มีความเคารพในาศาสดาทั้งประกาศคุณที่มีจริงของภิกษุเหล่าอื่นผู้มีความเคารพในาศาสดา ตามการอันโคนสอตนเองเป็นผู้มีความเคารพในธรรมละถึง 3. ตนเองเป็นผู้มีความเคารพในสงฆ์ 4. ตนเองเป็นผู้มีความเคารพในศิคาห้าตนเองเป็นผู้มีความเคารพในสมาธิ 6. ตนเองเป็นผู้ว่าง่าย 7. ตนเองเป็นผู้มีกัลยาณมิตรสรนเสริญความเป็นผู้มีกัลยาณมิตร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 สมมิตสูตรว่าด้วยองแห่งมิตรสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายมิตรประกอบด้วยองเจ็ประการเป็นผู้ควรเสพองเจ็ประการอะไรบ้างคือ 1. ให้สิ่งที่ให้ได้ยาก 2. ทํทำสิ่งที่ทำได้ยาก 3. อดทนถ้อยคาที่อดทนได้ยาก 4. เปิดเผยความลับแก่เพื่อน 5. ปิดความลับของเพื่อน 6. ไม่ทอดทิ้งในยามวิบัติ 7. เมื่อเพื่อนสิ้นโภคสมบัติก็ไม่ดูหมิน่นภิกษุทั้งหลายมิตรประกอบด้วยองค์เจประการนี้แหลเป็นผู้ควรเสพมิตรย่อมให้สิ่งที่ให้ได้ยากทำสิ่งที่ทำได้ยากอดทนคำหยาบแม่ที่อดทนได้ยากเปิดเผยความลับแก่เพื่อนปิดความลับของเพื่อน ไม่ทอดทิ้งในยามวิบัติเมื่อเพื่อนสิ้นภกสมบัติก็ไม่ดูหมิน่นในโลกนี้ฐานะเหล่านี้มีอยู่ในบุคคลใดบุคคลนั้นจัดว่าเป็นมิตรผู้ต้องการจะครบมิตรควรครบมิตรเช่นนั้นปฐมมิตรสูตรที่ห้าจบ 6. ทุติยมิตรสูตรว่าด้วยองค์แห่งมิตรสูตรที่สองภิกษุทั้งหลาย มิตรประกอบด้วยองค์7ประการเป็นผู้ควรเสพควรครบควรเข้าไปนั่งใกล้แม้จะถูกขับไล่ก็าตามองค์7ประการอะไรบ้างคือ 1. เป็นที่รักเป็นที่พอใจ 2. เป็นที่เคารพ 3. เป็นที่ยกย่อง 4. เป็นนักพูด 5. เป็นผู้อดทนต่อถ้อยคํา 6. เป็นผู้พูดถ้อยคําลึกซึ้งได้ 7. ไม่ชักนำในอถานะภิกษุทั้งหลายมิตรประกอบด้วยองค์เจตประการ น, นี้แหลเป็นผู้ควรเสพควรครบควรเข้าไป น, นั่งใกล้แม้จะถูกขับไล่ก็ตามมิตรเป็นที่รักเป็นที่เคารพเป็นที่ยกย่องเป็นนักพูดเป็นผู้อดทนต่อถ้อยคําพูดถ้อยคําลึกซึ้งได้ไม่ชักนำในอถานะในโลกนี้ฐานะเหล่านี้มีอยู่ในบุคคลใด บุคคลนั้นจัดว่าเป็นมิตรผู้มุ่งประโยชน์และอนุเคราะห์ผู้ต้องการจะคบมิตรควรครบมิเช่นนั้นแม้จะถูกขับไล่ก็ตามทุติยามิตรสูตรที่หจบ 7. ปฐมมะปฏิสัมพิทาสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้บรรลุปฏิสัมพิทาสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมเจประการไม่นานนะ ก็จะทำให้แจ้งปฏิสัมพิทาสี่ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ทำเจตประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าจิตของเรานี้หดหู่ 2. รู้ชัดจิตทอแท้ภายในตามความเป็นจริงว่าจิตของเราทอแท้ภายใน 3. รู้ชัดจิตฟุ้งซ่านไปภายนอกตามความเป็นจริงว่า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 กําหนดดีมนุษการดีทรงจำดีแทงตลอดดีด้วยปัญญาซึ่งนิมิตในธรรมที่เป็นสัปายะและอสัปายะที่เลวและประณีที่มีส่วนดำและขาวภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมเจประการ น, นิแลไม่นานนักก็จะทำให้แจ้งปฏิสัมพิทาสี่ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ปฐมปฏิสัมพิทาสูที่เจ็ 8. ทุติยปฏิสัมพิทาสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้บรรลุปฏิสัมพิทาสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายสารีบุตรประกอบด้วยธรรมเจประการ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 กำหนดดีมนาสิการดีทรงจำดีแทงตลอดดีด้วยปัญญาซึ่งจิตในธรรมที่เป็นสัพปปายะและอสัพปปายะที่เลวและปราณีตที่มีส่วนดำและขาวภิกษุทั้งหลายสารีบุตรประกอบด้วยธรรมเจ็บประการนี้แลจึงทำให้แจ้งปฏิสัมพิทาสี่ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ทุติยปฏิสัมพิทาสูตรที่8จบ พระธมมวัสะสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้จิตตกอยู่ในอำนาจสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมเจตประการย่อมทำจิตไว้ในอำนาจและไม่เป็นไปตามอำนาจของจิตธรรมเจตประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งเป็นผู้ฉลาดในสมาธิ 2. เป็นผู้ฉลาดในการเข้าสมาธิ 3. เป็นผู้ฉลาดในการให้สมาธิตั้งอยู่ได้ 4. เป็นผู้ฉลาดในการออกจากสมาธิ 5. เป็นผู้ฉลาดในความพร้อมแห่งสมาธิ 6. เป็นผู้ฉลาดในอารมณ์แห่งสมาธิ 7. เป็นผู้ฉลาดในอภินิหารแห่งสมาธิภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมเดประการนี้แล ย่อมทำจิตไว้ในอำนาจและไม่เป็นไปตามอำนาจของจิตปฐมะวัสะสูตรที่เกจบ10ทุติยะวะัสะสูตรว่าด้วยทำที่เป็นเหตุให้จิตตกอยู่ในอำนาจสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายสารีบุตรประกอบด้วยทำเจตประการย่อมทำจิตไว้ในอำนาจและไม่เป็นไปตามอำนาจของจิตทำเจ็ประการอะไรบ้างคือ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 เป็นผู้ฉลาดในอภินิหารแห่งสมาธิภิกษุทั้งหลายสารีบุตรประกอบด้วยทำเจ็บประการ น, นี้แลย่อมทำจิตไว้ในอำนาจและไม่เป็นไปตามอำนาจของจิตทุติยะวะัฏ ส, ะสูตรที่10จบ พระธมมนิทัะสูตรว่าด้วยนิทัศวัตถุสูตรที่หนึ่งครั้งนั้นแหลเวลาเช้าท่านพระสารีบุตรครองอันตราวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปยงกรุงสาวัตถีเพื่อบินธบทได้มีความคิดอย่างนี้ว่าการเที่ยวบินธบดในกรุงสาวัตถีอย่างเช้านักทางที่ดีเราควรจะเข้าไปยังอารามของพวกอัญญาเดรีปริภาชก ครั้นแล้วจึงเข้าไปยังอารามของพวกอัญญะเดรธีปริภาชกได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรสมัยนั้นแหลพวกอัญญะเดรธีปริภาชกนั่งประชุมกันสนทนากันในระหว่างการประชุมว่าผู้มีอายุทั้งหลายท่านผู้ใดผู้หนึ่งประพฤติพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบสิบสองปีควรเรียกท่านผู้นั้นว่า นิทสะภิกสุท่านพระสารีบุตรไม่ยินดีไม่คัดค้านภาสิทธิของอัญญาเดรธิปริภาชกเหล่านั้นลุกจากอาสนะจากไปด้วยคิดว่าเราจะรู้ชัดเนื้อความแห่งภาสิทธินี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคท่านพระสารีบุตรครั้นเที่ยวบินทบาทในกรุงสาวัตถีกลับจากบิทบาทหลังจากชันอาหารเสร็จแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้วนั่งหน้าที่สมควรเด็กกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเช้านี้ข้าพระองค์ครองอันตรวาสศกถือบาทและจีวรเข้าไปยงกรุงสาวัตถีเพื่อบินธบาตได้มีความคิดอย่างนี้ว่าการเที่ยว บ, บินธบาติในกรุงสาวัตถียางเช้านักทางที่ดีเราควรจะเข้าไปยังอารามของพวกอัญญะเดรถีพระพาชก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 ควรเรียกท่านผู้นั้นว่านิทัศภิกษุขข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่ยินดีไม่คัดค้านภาสิทธของอัญญะเดรธิปริภาชกเหล่านั้นลูกจากอาสนะจากไปด้วยคิดว่าเราจะรู้ชัดเนื้อความแห่งภาสิทธนี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอาจหรือหนอที่จะบัญญัตินิทัศภิกษุไว้ในพระธรรมวินัยนี้ ด้วยเหตุเพียงนับพันสาอย่างเดียวพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าสารีบุตรไม่อาจเลยที่จะบัญญัตินิทสสะภิกษุไว้ในธรรมวินัยนี้ด้วยเหตุเพียงนพันสาอย่างเดียวนิทสสะวัตถุเจตประการนี้แลเราทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วจึงประกาศไว้นิทสสะวัตถุเจตประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้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 เป็นผู้มีฉันทะอย่างแรงกล้าในการแทงตลอดด้วยทิฏฐิและได้ความรักในการแทงตลอดด้วยทิฏฐิต่อไปสารีบุตรนิทัศวัตถุเจประการนี้แหลเราทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วจึงประกาศไว้ภิกษุประกอบด้วยนิทัศวัตถุเจประการนี้แลหากพระเพื่อพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบ12ปีควรเรียกพิกษุนั้นว่านิทัะภิกษุ หากประพฤติพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบ24ปีควรเรียกภิกษุนั้นว่านิทัศภิกษุหากประพฤติพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบ36ปีก็ควรเรียกภิกษุนั้นว่านิทัะภิกษุหากประพฤติพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบ48ปีก็ควรเรียกภิกษุนั้นว่านิทัศภิกษุพระธมะนิทัศสูตรที่11จบ ทุติยนิทัศสูตรว่าด้วยนิทัศวัตถุสูตรที่สองเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณโคสิตารามเขโครงโคสัมพีครั้งนั้นแหละเวลาเช้าท่านพระอานนณนลครองอัตรวาศกถือบาลและจีวอนเข้าไปยังกรุงโคสัมพีเพื่อบินธบาตได้มีความคิดอย่างนี้ว่า การเที่ยวบินธบาตในกรุงโกสัมพียางเช้านักทางที่ดีเราควรจะเข้าไปยังอารามของพวกอัญญะเดรธีปริภาชกครั้นแล้วจึงเข้าไปยังอารามของพวกอัญญะเดรธีปริภาชกได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึก ถ, ถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรสมัยนั้นและพวกอัญญะเดรธีปริภาชกนั่งประชุมกันสนทนากันในระหว่างการประชุมว่า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 การเที่ยวบินธบุรในกรุงโภสัมพียางเช้านักทางที่ดีเราควรจะเข้าไปยังอารามของพวกอัญญะเดรธิปริภาชกครั้นแล้วจึงเข้าไปยังอารามของพวกอัญญะเดรธิปริภาชกได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรสมัยนั้นและพวกอัญญะเดรธิปริภาชกเนื่องประชุมกันสนทนากันในระหว่างการประชุมว่า ผู้มีอายุทั้งหลายท่านผู้ใดผู้หนึ่งประพฤติพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบส2องปีควรเรียกท่านผู้นั้นว่านิทัศพิกษุข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่ยินดีไม่คัดค้านภาสิทธิของอัญญะเดรถีปริภาชกเหล่านั้นลุกจากอาสนะจากไปด้วยคิดว่าเราจะรู้ชัดเนื้อความแห่งพาสิทธนินี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาค ค่าแต่พระองค์ผู้เจริญอาจหรือหนอที่จะบัญญัตินิทศะภิสุไว้ในพระธรรมวิในนี้ด้วยเหตุเพียงหนพันสาอย่างเดียวพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์ไม่อาจเลยที่จะบัญญัตินิทสะภิสุไว้ในธรรมวิในนี้ด้วยเหตุเพียงหนพันสาอย่างเดียวนิทศะวัตถุเจ็ประการนี้แหลเราทาให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วจึงประกาศไว นิทัศวัตุเประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งเป็นผู้มีศรัทธาสองเป็นผู้มีหิริสามเป็นผู้มีอตปะสี่เป็นผู้หูสูตรห้าเป็นผู้ปรารบความเพียรหกเป็นผู้มีสติเจ็ดเป็นผู้มีปัญญาอานนท์นิทัะวัตุ7ประการนี้แล เราทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วจึงประกาศไว้ภิกษุประกอบด้วยนิทสะวัตถุเจประการ น, นี้แลหากพระพุทธพระมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบ12ปีก็ควรเรียกภิกษุนั้นว่านิทสะพิษุหากพระพุทธพระมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบ24ปีก็ควรเรียกภิกษุนั้นว่านิทสะพิษุหากรพระพุทธพระมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบ36ปี ก็ควรเรียกภิกษุนั้นว่านิทัศภิกษุหากพระพฤทธพระมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบ48ปดปีกควรเรียกภิกษุนั้นว่านิทัศภิกษุทุติยนิทัศสูตรที่สิอจบเทวตาวักที่สจบรวมพระสูตรที่มินิวักนี้คือ 1. นึ่อปมาทะคารวะสูตร 2. หิริคารวะสูตร สามปฐมโสวจัสตาสูตร 4. ทุติยโสวจัสตาสูตร 5. ปฐมมมิตรสูตร 6. ทุติยมิตรสูตร 7. จ็ดปฐมปฏิสัมภิทาสูตร 8. ทสสุติยปฏิสัมภิ ท, า ส, สส ท, ทาสูตร 9. ก้าปฐมวสสูตร 10. ทุติยวสสูตรสิอ็ดปฐมนิทสสูตร 12. ทุติยนิทศสูตร 5. มหายัญยวกหมวดว่าด้วยมหายัญน 1. ่ัตวิญญาณทิติสูตรว่าด้วยวิญญาณทิติเจ็ดประการ ภิกษุทั้งหลายวิญญาณทิติภูมิเป็นที่ตั้งแห่งวิญญาณเจประการนี้วิญญาณทิติเจ็ประการอะไรบ้างคือ 1. นมีสัตว์ผู้มีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันคือมนุษย์บางพวกเทวดาบางพวกและวินิปาตธิกะบางพวกนี้เป็นวิญญาณทิติที่หนึ่ง 2. มีสัตว์ผู้มีกายต่างกันแต่มีสัญญาอย่างเดียวกัน คือเทวดาชั้นโพรมกายิกาเกิดในปฐมชาณภูมินี้เป็นวิญญาณทิติที่สองสามมีสัตว์ผู้มีกายอย่างเดียวกันแต่มีสัญญาต่างกันคือเทวดาชั้นอภัสระนี้เป็นวิญญาณทิติที่สามสี่มีสัตว์ผู้มีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาอย่างเดียวกันคือเทวดาชั้นสุภกินหะเทวดาที่เต็มไปด้วยความงาม นี้เป็นวิญญาณทิติที่4 5. ามีสัตว์ผู้บรรลุอากาสาณัญจาตนาชาญอยู่โดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้เพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆาสัญญาไม่มนสสการนานตัสัญญาโดยประการทั้งปวงนี้เป็นวิญญาณทิติที่5 6. มีสัตว์ผู้ล่วงอาการสาณัญญ า, นาตนาชาญโดยประการทั้งปวง บรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานอยู่โดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้นี้เป็นวิญญาณทิฏฐิที่ห 7. มีสัตว์ผู้ล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุอากินจัญญายตนะฌานอยู่โดยกำหนดว่าไม่มีอะไรนี้เป็นวิญญาณทิฏฐิที่7ภิกษุทั้งหลายวิญญาณทิฏฐิ7ประการ น, นี้แหล สัตววิญญาณนตติติสูตรที่1จบสสมาธิปริขาสูตรว่าด้วยบริคารแห่งสมาธิภิกษุทั้งหลายบริคารแห่งสมาธิ7ประการนี้บริคารแห่งสมาธิเจประการอะไรบ้างคือ 1. สัมมาทิฏฐิเห็นชอบ 2. สัมมาสังกัปปะดำริชอบ สสัมมาวาจาเจรจาชอบ 4. สสัมมากัมมันตะประทํามชอบ 5. สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบ 6. สัมมาวายามะพยายามชอบ 7. สัมมาสติระลึกชอบภิกษุทั้งหลายสภาวะที่จิตมีอารมณ์เดียวซึ่งมีองค์เจ็ประการนี้แวดล้อมเรียกว่าอริยสัมมาสมาธิที่มีอุปนิสสะบ้าง ว่าอริยสัมมาทิฐิที่มีบริขารบ้างสมาทิปริขารสูตรที่สองจบ 3. ปฐมะอะคิสูตรว่าด้วยไฟสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายอะคิไฟเจตประการนี้อคิเจตประการอะไรบ้างคือ 1. ราคาคิไฟคือราคะ 2. โทสักิไฟคือโทสะ 3. โมหะขีไฟคือโมหะ 4. อาหุเนยขีไฟคืออาหุเนยบุคคลเจด็ดฆะปตักขีไฟคือฆะปดี 6. กทักขีเนยขีไฟคือทักขิเนยบุคคล 7. กักถักขีไฟที่เกิดจากไม้ภิกษุทั้งหลายอาคิเจประการนี้ แ, แล พระมะอาคิสูที่สามจบ